เรื่องรองจากท้องเนปาเมื่อ ม, มองฟ้ายามรุนที่ดูว่างเปลา่าถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามบางครั้งท้องฟ้าก็มีหยาดฝนโปรยปรายและตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้ไม่เป็น ฉันจะมองไม่เห็นดวงดา ด้ยบินสูความฝันหอมความรักไม่ไดอาคารแค่เทียเชมั่ You're yeah. my sunshine.